สุกที่ผ่านมานะเป็นวันสุกสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ใช่เดือนธรรมดานะเป็นเดือนกันยายนหมายถึงวันสุดท้ายของข้าราชการจํานวนมากนะีที่จะทํางานรับราชการก็มีการมีงานเลี้ยงมีงานฉลองมีงานอําลาเกษณอายุทั่วประเทศเลยเป็นช่วงเวลาที่ ร้านอาหารพัตาคา์นี่จะมีความสุขมากนะเพราะว่าราชการทั้งประเทศก็จะมีการเลี้ยงส่งเลี้ยงอำลาก็มีงานเลี้ยงที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะเป็นการเลี้ยงอำลาให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดผู้อำนวยการคนนี้นะตอนที่มีอานาจนะก็ไม่ค่อยสนใจนะการทำงานเท่าไหร่ แต่ว่าก็มีพวกผู้ตายบังคับบัญชาห้อมล้อมคอยประจบประแจงหรือประจบสพอพลอนักแกก็เพลิดเพลินนกับสถานะดังกล่าวก็มักจะใช้อำนาจในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ในวันเลี้ยงอำลาเนี่ยปรากฏว่ามีคนมีเจ้าที่โรงพยาบาล มางานเลี้ยงเนี่ยน้อยมากแม้แต่หมอนะซึ่งในโรงพยาบาลนั่นก็มีเป็นร้อยนะก็มางานมางานเลี้ยงส่งผ อ, อเพียงแค่ห้าหกคนโตของแกที่เป็นโตเกติยศก็มีคนมานั่งล้อมแหลมอาหารที่เตรียมไว้เยอะแยะก็เหลือเรือว่าเหลือบานเบรเพราะว่าคนมาน้อยผิดคาดมันเป็นสิ่งที่ ก็ออคงจะนึกไม่ถึงนะว่าในยามที่มีอำนาจนะมีคนห้อมร้อมมีเจ้าหน้าที่มากราบไหว้นะจะทำอะไรก็มีคนสนองคำบัญชาแต่พอมาถึงวันเลี้ยงอำลากลับมากันน้อยมากแ่คงจะทำใจไม่ค่อยได้นะตอนที่งานเลิก แกก็ส่งไลน์ไปบอกลูกน้องที่เป็นเลขาว่าช่วยพาเพื่อนๆไปส่งผมได้นะไปส่งที่บ้านผมไม่อยากกลับบ้านคนเดียวก็มีคนไปส่งสี่ห้าคนจากลูกน้องคนที่เฉลี่ยแกจนได้ดิบได้ดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยสี่ขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีคนอื่นทำให้กลับไม่ไปส่งนะ ไปถึงบ้านแกก็ร้องไห้ภรรยาก็ร้องไห้ไม่รู้วร้องไห้เพราะว่าเกษยียณอายุแล้วไม่ได้ทำงานอีดต่อไปหรือร้องไห้เพราะว่าตำแหน่งพออนะตำแหน่งสูงสุดในโรงพยาบาลมันมันกำลังจะกลายเป็นอดีตไปหรือร้องไห้เพราะว่าเห็นความจริงว่า ไม่มีใครพักดีไม่มีใครรักเราอย่างแท้จริงไอ้วันอย่างนี้เป็นวันที่หลายคนจะได้เห็นสัจธรรมนะสัจธรรมว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นเนี่ยรวมทั้งการมีอำนาจมีบริษัทบริวารห้อมล้อมมันเป็นแค่สมมุติมันไม่ใช่ของจริงแล้วก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราว ได้เห็นสัจธรรมว่ามีคนรักเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเขารักเราเพราะเรา ม, มีอำนาจนะสามารถจะให้คุณให้โทษกับเขาได้ไอ้วันเลี้ยงอำลาโดยเพราะคนที่เกษียณอายุราชการเนี่ยอย่างงานเลี้ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่มันเป็นเครื่องชี้แสดงอย่างหนึ่งนะว่า ข้าราชการผู้นั้นเนี่ยหรือผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนหรือว่าเป็นที่ระอาลังเกียรตไอตอนที่มีอำนาจนะมันไม่รู้หรอกว่าใครรักเราจริงหรือเปล่าทุกคนก็ยิ้มให้เราทุกคนก็พูดดีกับเราขอรับขอรับนะถูกต้องเยี่ยมพิเศษนะใครๆก็พูดอย่างนี้ แต่ว่าพอถึงวันที่สวสุกัญญาเนี่ยในงานเลี้ยงนี่แหละนะที่มันจะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยก็เป็นที่รักของผู้คนจริงหรือว่าเป็นที่รังเกียจที่ระอาอย่างพ่อคนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครรักนะเขาก็บ่นกันไปทั้งโรงพยาบาลแต่ไม่รู้แกรู้หรือเปล่าแกจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าคนสนิทคนใกล้ชิด ก, ก็ เชียร์แกพูดชมแกตลอดก็วันนั้นแหละเย็นวันนั้นแหละคืนวันสุกสามสิบงาที่แกได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วตัวเอง เ, เป็นที่ชื่นชมของเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนก็คงจะสะเทือนใจนะว่าไอ้งานอำลาของเราแทนที่จะมีผู้คนมาคับข้างอย่างที่เคยมีจัดงานเลี้ยงครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่มีใครมาเลยถึงต้องไปขอให้ลูกน้องคนใกล้ชิดคือเลขาเนี่ยช่วยไปส่งหน่อยนิสสาวยังทำใจไม่ได้สิ่งที่น่าคิดคือว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยพออท่านนั้นเคยเตรียมตัวเตรียมใจหรือเปล่าว่าสักวันหนึ่งวันนี้จะมาถึงวันที่ตัวเองเกษียณอายุวันที่ตัวเองหมดอานาจวันที่ตัวเองเนี่ย กลับกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นและถ้าเคยคิดเนี่ยนะเคยคิดที่จะทำใจไม่ว่าเออเมื่อวันนั้นมาถึงนี่เราจะยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ยอมรับว่านะอำนาจที่มีบริษัทบริวารที่มีหลายร้อยในโรงพยาบาลนะก็จะจบลง มันน่าแปลกนะที่มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าที่พูดอย่เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอพอกเกษียณไปแล้วก็เป็นประชาชนเต็มขั้นกลับไปที่บ้านหลายคนก็หนอยเหงานะโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจวาสนาอย่างเช่นเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นปรลักกระทรวงหรืออาจจะเป็นผอบอลเหล่าทัพนะมีลูกน้องบริษัทบริวารเป็นแสน พอเป็นประชาชนเต็มขั้นก็คนก็เมินคนที่เคยประจบสอพรอเคยถือกระเป๋าให้มันไม่สนใจเลยแค่เดินไปส่งที่บ้านนี่ก็ยังไม่ไปเพราะว่าเขารอรอไปเชียร์หรือเฉลียผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีผู้ว่าคนหนึ่งพอกเกษียณเนี่ยแกก็ งอยนะเพราะว่านึกว่าจะมีลูกน้องมาเยี่ยมมามาหาไม่มีเลยเคยมีอำนาจเคยทำนั่นทำนี่ทุกวันนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะมีคนมาคํานับนะมีแขกมาเยี่ยมแต่พอเกษียณชีวิตนี่มันดูเหมือนว่างเปล่าก็เป็นอยู่ประมาณปีหนึ่งได้วันหนึ่ง ก็มีคนมาแจ้งว่าขอเชิญไปร่วมงานใหญ่ของจังหวัดที่ตัวเองเป็นผู้ว่าเคยเป็นผู้ว่าจึก็ดีใจนะจะได้กลับไปสู่ทินเดิมนะที่เคยมีคนห้อมร้อมเคยมีคนคํานับคาระวะแต่พอไปถึงในวันงานปรากฏว่าไอ้ลูกน้องที่เคยมาห้อมร้อมมาเยี่ยม มาหามันหายไปหมดนะกลับไปห้อมล้อมผู้ว่าคนใหม่ส่วนข้าบดีนักธุรกิจที่เคยมาเคยมาเคารพมาคำนับมาเข้าเยี่ยมเอาโ น, โน่นเอานี่มาให้ก็หายหัวไปต่ทำใจไม่ได้นะที่ไม่มีใครมาห้อมล้อมเหมือนเก่า ในใจตอนนั้นเนี่ยคาดหวังว่าโอ้จะมีลูกน้องจะมีข้า บ, บดีจะมีใครต่อใครในคนสําคัญในจังหวัดมาหามาพูดมาคุยมายมาพบปามีน้อยมากอกหักเลยนะอกหักเลยหลังจากวันนั้นก็ก็อยู่ได้ไม่นานนะก็เสียชีวิตก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าทำใจไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าสุขภาพ มันย่ำแย่อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันคือสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอใจเนี่ยนะมันหมดเรื่ยวหมดแรงนะอกหักที่ไม่มีใครมาสนใจเราไอ้เรื่องแบบนี้นมันก็เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคนที่อยู่ในวงราชการก็น่าจะเห็นภาพแบบนี้มาตั้งแต่เป็นข้าราชการท่านพูดน้อย เมื่อไเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้สํานึกสําเหนียกว่าเออสักวันหนึ่งนะเราหมดอํานาจเมื่อไหร่เราเกษียอายุเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นแบบนี้แหละการจะคิดแบบนี้ก็ได้เต็มเต็มใจไว้ไม่ไปลงไหลได้เื้่มกับคําสรรเสริญย่นยอนะ่อคำทาะการห้อมร้องกับผู้คนอย่างอดีตพออโรงพยาบาลกนทว่าเนี่ยที่เคเห็นท่าก็ไม่มีคนมาไม่มีเจ้าหน้าที่มาร่วมงานเลี้ยงอําลา แล้วแกก็ต้องกลับไปบ้านคนเดียวจนกระทั่งต้องไปขอให้ใครมาช่วยส่งเรื่องนี้คงไม่ได้เกิดแกเป็นครั้งแรกไม่เรื่องคงไม่ได้เป็นสิ่งที่แกเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกตอนเป็นข้าราชการใช้พุ่นน้อยในโรงพยบาบาลก็คงจะเห็นพอออบางคนมีประสบการณ์แบบนั้นหรืออาจจะได้ยินคำเล่าเลือว่าอธิบดีกรมนั้นประกาศกระทรวงคนนั้นนะ เขามีหรือเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อได้ยินหรือว่าได้เจอเองเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการแนั้นพูดน้อยเนี่ยหรือค่าวที่ยังไม่มีอำนาจเนี่ยก็น่าจะเฉลียวใจนะเออผู้คนก็แหแห่นกันเฉพาะเวลามีอำนาจพอเวลาแลกอำนาจคนก็เมินเฉยหรือว่าคนที่ทำตัวน่าละอาเนี่ยตอนที่ยังมีอำนาจก็มีคนมาห้อมล้อมแต่พอหมดอำนาจนะ ยังไม่ทันจะหมดอำนาจทันทีเลยนะแค่วันที่สามสิบตัญญายผู้คนก็ละทิ้งตีจากนหันหลังให้คือถ้าเห็นคือการที่ได้เห็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะซึ่งเชื่อว่าคงต้องเจอนะต้องเห็นนะก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าเอออย่าไปลหลงไหลได้เพิ่มนะกับอำนาจวาสนาหรือว่าตําแหน่งนะมันเป็นของไม่เที่ยงผู้คนเขา ยกยอเราไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เพราะตำแหน่งของเราต่างหากหรือเพราะหัวโคมที่เราใส่ต่างหากเอาคนถ้ารู้จักคิดนะมันก็จะได้ได้ได้สติแบบนี้นะว่าข้อสารเสริญยนยอเราไม่ใช่เพราะตัวเราหรอกแต่เพราะอำนาจที่เรามีเพราะตำแหน่งที่เราได้รับหรือเพราะหัวโขดที่เราใส่ ไม่รู้ชันนี้เนี่ยเออใครเข้ามาห้อมร้อมใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นละคร น, นี่มันเป็นละครบทหนึ่งเราก็เล่นละครไปกับเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้หลงเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเราเป็นที่รักของคนเรานั้นจริงๆแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอพอได้เป็นอะไรเนี่ยก็ไปคิดเลยว่าฉันเป็นเชนั้นจริงๆกูเป็นพออรจริงๆนะ กูเป็นผู้ว่ากูเป็นปลักกระทรวงจริงๆไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติน ะ, ะที่หลวงพ่อเขียนท่านบอกไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเนื้อคืออนนี่แหละก็คือว่าไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรอยู่ในสถานะอะไรก็จะไปหลงคิดว่านั่นคือเราเราเป็นนั่นมันเป็นแค่สมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงนะเป็นหัวโขน เราใครเข้ามาเยือนยอเราเออเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มาเยือนยอเราเขามาเยือนยอหัวโขนที่เราใส่ต่างหากดังนั้นเวลาถอดหัวโขนถึงวเวลาลงจากเวทีเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะเราก็เตรียมใจไว้แล้วที่จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเห็นได้นะสังเกตได้นะอย่างที่ธรมาบอกตั้งแต่เป็นข้าราชการชผู้น้อยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้มันมันเป็นแค่มายา มันเป็นแค่สมมุตนะิมันเป็นการเล่นละครกันแต่ก็ไม่เข้าใจาทำไมคนไม่ค่อยได้ตระหนักนะหรือว่าไม่อยากจะคิดจริงจังก็ได้เพราะคิดไปแล้วเนี่ยมันมันจะทำให้ไม่มีความสุขนะหรือว่าใจามันก็จะต้านใจมันจะต้านว่าเอ้ยไม่จริงหรอกนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยคนที่มีปัญญาเข้าก็จะเข้าก็จะ ได้บทเรียนนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าตมาคิดว่าเนี่ยข้าราชการใช่พูดน้อยเดินโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเลิก ห, หมอพยาบาลเนี่ยใน เ, เหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นว่าที่30กันยาในโรงพยาบาลของตัวเนี่ยก็จะได้คิดละเออตาแหน่งนะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องโลกธรรมชาติจะให้เขารักเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอํานาจที่เรามีแต่เพราะว่าคุณธรทำความดีของเราต่างหาก มันก็มีนะเลยโรงพยาบาลอื่นในในที่อื่นเนี่ยเวลาเจ้านายจ ะ, กะเกษียณก็มีลูกน้องนี่มาร่วมงานเลี้ยงอำลาเยอะแยะคนเหล่านี้ก็รู้นะว่าเจ้านายกำลังจะหมดอนานาจแต่เขาเขมาเพราะเขารักเขาศรัทธาเขาชื่นชมอันนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่หลายคนก็น่าจะได้เห็นอันนี้เมื่อรู้เช่นนี้เนี่ยนะเออ เราก็พยายามทำตัวให้เป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของผู้คนด้วยการทำความดีแต่ว่าผู้คนก็มักจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อสอนใจเขาเรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวนะธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวและธรรมะเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะหมายถึงสิ่งที่ได้ฟังจากพระ หรือว่าหนังสือที่ได้อ่านนะไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรือว่าอัธกถาคัมภีร์แต่มันคือปรากฏการที่เห็นในชีวิตประจําวันเขาก็สอนธรรมะ ก, กับเราได้อย่างงานเลี้ยงว่าที่สามสิบกันยาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็สอนธรรมให้กับเราได้นะว่า โ, โลกธรรมเป็นอย่างนี้เองเนะมื่อเราเห็นละเออก็มาเตือนใจเรานะนอกจากเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยก็ควรจะใคร์ครวนต่อไปนะว่าเออ เมื่อถึงวันที่เราจ ะ, กะเกษียณ น, นะมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เราทำใจได้ไหมเผื่อใจไว้ที่จริงกรเกษียณอายุนี่ก็แค่เป็นฉากหนึ่งของชีวิตนะมันยังมีอะไรอะไรตามมาอีกเยอะหลังจากที่กเกษียณอายุราชการแล้วคนเราเนี่ยเวลาเข้าสู่ชีวิตขาลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบตรงที่กเกษียณ น, นะมันยังลงต่อไปอีกไม่รู้กี่คนที่ตระหนักนะ เช่นว่าพอเกษยียณอายุยาราชการก็ต่อไปก็เกษยียณจากอย่างอื่นด้วยกรารองวังช้าก็จะลดน้อยถอยลงและสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คืนสู่ความเป็นประชาชนธรรมดาสา ม, มัญ น, นะสุดท้ายเนี่ยปลายทางก็คือคืนสู่ธรรมชาติแล้วยังมียังมีขาลงนะ ยังมีอะไรที่ต้องเจออีกเยอะนะหลังจากเกษียณไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเป็นเอกชนก็ตามจริงๆคนที่เกษียณจากราชการนี่ก็ห น, น้าจะคิดนะเออยังดีนะฉันยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าสุดสุดท้ายปลายทางก็คือคืนสู่ธรรมชาติก็คือตายนะเราก็มาจากธรรมชาติสมัยที่เราเป็นแค่ชีวิตเล็กๆนะ สเปิร์มกับไข่ที่มาผสมกันเนี่ยไอพวกนี้มันก็มาจากเกิดจากสารอาหารที่แม่และพ่อกินเข้าไปกําเนิดของเราก็มาจากจุดนั้นแหละเราก็มาจากธรรมชาติอาหารที่พ่อแม่กินเข้าไปมันก็กลายเป็นสเปิร์มเป็นไข่แล้วก็ปฏิสนธิกลายเป็นตัวเราจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซล์เป็นสี่เซลล์แล้วกลายเป็นตัวเราและสุดท้ายพอถึงวันที่เราตายหมดลมร่างกายเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติ กับคืนไปเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้นะแล้วก็เป็นอาหารให้กับสัตว์แล้วก็สัตว์นั้นก็กลับมาเป็นอาหารให้กับคนแล้วกเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาในครันของแม่นนี่คือวัตจักรนะแล้วเราทุกคนเนี่ยนะในสูตก็ต้องคืนสู่ธรรมชาตินั้นใครที่ยังไม่คืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะรู้สึกโชคดีนะเออเรายังมีชีวิตอยู่นะจะทุกไปทําไมกระเสียนนะ เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะยังมีอะไรที่ควรจะได้ทําอีกเยอะแต่จะมีกี่คนที่ลองคิดตัวว่าเออนะเมื่อถึงวันที่เรานจะ ต, ต้องตายเนี่ยเราเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แค่ไหนหรือเปล่าคนเฉยๆก็ไม่เคยได้คิดนะทั้งที่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงก็เมือนกับราชาการข้าราชการหลายคนก็รู้นะสักวันหนึ่งตัวเองก็ต้องกเกษียณแต่ก็ไม่ค่อยได้คิดว่าเมื่อถึงวันที่ตัวเองกเกษียณวันที่ตัวเองหมดอํานาจนะ หรือออกจากราชการเนี่ยจะอยู่อย่างไรจะเตรียมตัวอย่างไรวาดภาพอะไรไว้บ้างหรือเปล่าหลายคนก็รู้ว่าตัวเองต้องตายนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้วาดภาพว่า เ, เมื่อถึงวันที่ตัวเองจะต้องตายเนี่ยมันเราเตรียมตัวเตรียมใจแค่ไหนก่อนจะตายต้องเจ็บต้องป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลต้องมีสายรถยนต์ระ ย, ยางเคยเตรียมใจไว้บ้างหรือเปล่าเคยคิดถึงมันบ้างไหมถ้าคิดเนี่ยมันก็ช่วยนะช่วยให้เราเนี่ย รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับเหตุการณ์เหล่านะ้าที่เกิดมีขึ้นเตรียมตัวก็เป็นเรื่องของการทำประกันภัยให้กับลูกหลานทำมรดกแต่สำคัญกว่านั้นะคือเตรียมใจเตรียมใจยอมรับความไม่เที่ยงของสังขารในการคิดถึงอนาคตนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเช่นความตายหรือว่าการเกษียณอายุเนี่ย มันเปสิ่งที่ควรทํานะถึงแม้พระเจ้าจะบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องนึกถึงอดีตหรืออนาคตเพียงแต่ว่าจะนึกอย่างไรถ้านึกแล้วอะไรเอาวอนก็ไม่ใช่ถ้านึกแล้ววิตกกังวลเกิดความกังวลกวายก็ไม่ถูกแต่ถ้านึกแล้วเพื่อเตรียมใจให้ไม่ประมาทอันนี้ถูกนะเพราะที่จริงเนี่ยนะไอการที่เราเราลึกถึง ความไม่เที่ยงของสังขารของชีวิตรวมไปถึงความไม่เที่ยงของภาวะที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องราชการเนี่ยหลายคนเจ้าสวมันไม่เกี่ยวกับเรานะแต่นั่นเป็นแค่ตัวอย่างนะพอถึงแม้เราหลายคนไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เราก็ยังเป็นนั่นเป็นนี่หลายอย่างเป็นเจ้านายนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นเจ้าอาวาสไอ้เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะ ถ้าเป็นไม่ถูกนะมันก็ถูกเหมือนกันนะและส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ถูกนะก็คือไปยึดมันว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อย่างที่หลวงได้พูดมาสักครู่วนนี้หลวงพ่อเขียนท่านเตือนว่าเนี่ยไม่อย่า—ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะความหมายนั่คือว่าให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นตอนนี้นะมันเป็นแค่สมมุติและสิ่งที่จะเป็นในวันข้างหน้าก็ยังเป็นสมมตินะ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นเจ้าว่านี่ก็สมมติเป็นอะไรก็เป็นให้ถูกนะคือเมื่อรู่เป็นสมมุติแล้วเนี่ยก็ใช้มันให้เป็นเราใช้มันเนยอย่าให้มันใช้เราหรืออย่าให้มันครอบเราคือถ้าไปไม่ถูกเนี่ยก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยคือเราโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจว่าสักวันหนึ่งมันก็แปลเปลี่ยนไปหรือไม่ต้องรอให้เป็นวันวันข้างหน้าหรอกถ้าไปยึดมั่นถือมั่นนะ มันก็จะเกิดอุปทานแล้วก็ตกอยู่ในน้ำหน้าของกิเลสอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็มีกิเลส ข, ของความเป็นพ่อเป็นแม่ว่าลูกต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่นะีความปรารถนาดีของพ่อของแม่คือสิ่งที่ลูกต้องปฏิบัติรับไปทําพ่อแม่อยากจะให้ลูกเรียนคณะนี้มีอาชีพนี้ลูกไม่ทําไม่เรียนนะบางทีก็โกรธแล้วก็หาว่าลูกเนี่ยละคน อันนี้ก็เป็ homem, dash, เปนกิเลสของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างหนึ่งกิเลสของพระก็มีถ้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานมันก็จะมีกิเลสเช่นต้องอยากจะให้คนเคารพอยากให้คนไหว้อยากให้คนเรียกว่าพระอาจารย์บางคนบางทีกลัวว่าคนจะไม่เรียกพระอาจารย์ก็เรียกตัวเอว่าเป็นพระอาจารย์ซะเลยเรียกว่าตัวเองพระอาจารย์น่นพระอาจารย์นี่เพื่อว่าคนอื่นจะได้เรียกตัวเป็นพระอาจารย์บ้าง เป็นเจ้าว่าก็มีกิเลสนะนะก็คืออยากให้ผู้คนในวัดเคารพเชื่อฟังนะให้พอไปไปหลงกิเลสนะมันก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าพอความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าพอไอ้สิ่งที่อยากให้มีให้เป็นมันไม่เกิดขึ้นก็ทุกข์อันนี้เพราะว่าเป็นไม่ถูกนะคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นสมมตินะ แต่ว่าเข้าไปเป็นจริงๆนะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันน่นคือเราให้เราถ้าเรารู้ว่าเนี่ของพวกนี้มันเป็นแค่หัวโขนนะเป็นแค่สิ่งที่สมมติกันขึ้นมาสมมุติมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันให้เป็นมีประโยชน์เช่นเดียวกับกิเลสหลายอย่างก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้มันให้เป็นนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นโทษของมันหรือเราไม่รู้จักข้อจํากัดของมันเช่นว่ามันไม่เที่ยงหรือว่ามันมันแฝงไปด้วย กิเลสที่อาจจะหลอกให้เราหลงและทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เป็นทุกข์เพราะมันอันนี้ต้องอาศัยสติต้องอาศาัยปัญญาใคร้ครวนนะกลมามองตนนะเวลาทุกข์เนี่ยที่เขาไม่ทําตามเรานะเขาไม่เชื่อฟังเราหรือเขาดินทาเราเนี่ยอย่าไปโทษเขานะแต่เป็นเพราะว่าเราไปยึดนะว่าเมื่อเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเขาก็ต้องเคารพเราเขาต้องเชื่อฟังเราเขาต้องสารเสริจเราพอเขาไม่ทําอย่างนั้นเราก็ทุกข์ เราทุกเพราะเรายึดมั่นในความเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเราเข้าไปเป็นไปแล้วนะให้รู้ว่านี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงนะอย่าไปสนใจมัมากเพราะถึงเวลาพอหมดลมก็ทั้งหมดที่มีก็หมดสูญหายบางทีไม่ต้องร้อย ห, หมดลมหรอกนะอย่างความเป็นพระเนี่ยนะพอศึกเมื่อไหร่ก็จบนะรู้ว่ากระถ่อมหัวโขนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความ เป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้เราตระหนักว่ามันเป็นแค่สมมติหรือเป็นแค่โลกธรรมเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นเครื่องกำกับใจให้ของเราในแง่ที่ว่าช่วยทำให้เราประพฤติตัวได้ถูกต้องอย่างเช่นเป็นพระเนี่ยนะถ้าเป็นคนธรรมดามก็อาจจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสพอมาเป็นพระแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราทำตามใจกิเลสได้น้อยลงอันนี้เป็นประโยชน์นะ บางคนก็ไม่แน่ใจว่าจะคุมตัวเองได้หรือเปล่าจะมีวินัยในตัวเองไหมนะก็มาบวชพระเพื่อจะได้ใช้ผ้าเหลืองเนี่ยคุมตัวเองอย่างสมัยที่อาตมา บ, บวชเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติก็มีคําถามว่าเราปฏิบัติโดยที่ไม่บวชได้ไหมก็ได้แต่ว่าเคยทดลองมาแล้วพอ <c oughs> ปฏิบัติอย่างคารวานเนี่ยมันก็หาข้ออ้างที่จะ ไม่ปฏิบัตินะก็เลยคิดว่าบวช ด, ดีกว่านะมันจะได้ไม่มีข้ออ้างก็ใช้ความเป็นพลาดนี่แหละเป็นเครื่องกํากับให้ตัวเองเนี่ยมีวินัยแล้วก็ไม่ตามใจกิเลสง่ายๆซึ่งมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมานะอันนี้คือสมมุตินะที่เราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ก็อย่าไปติดยึดนะจนกระทั่ง เราไปคิดว่านะเราคือพระจริงๆถ้าใครเขาไม่กราบไม่ไหวนะ้เราโมโหไม่เรียกว่าพระอาจารย์โมโหอย่างเนี้ยนี่แสดงว่าเราเป็นเหยื่อของมันแล้วนะเราหลงละนะเขาไม่กราบไม่ไหวก็เป็นเรื่องของเขาความเคารพเป็นสิ่งที่เขาให้เราไม่ใช่เราไปเรียกร้องถ้าเราไปเรียกร้องความเคารพจากใครเนี่ยผิดละ ความเคารพเป็นสิ่งที่เขาต้องให้เราเขาเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เขาให้เราถ้าเขาไม่ให้เราก็เรียกร้องไม่ไดเ้เหมือนกับอาหารอาหารญาติโยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราแต่ว่าเราไปเรียกร้องไม่ได้ถ้าเขามีเมตตาให้เรามีสัตย์ทายเราอ่า น, นี้ก็นมัถนาแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็จะไปว่าเขาความเคารพหรือแม้กระทั่งเกียรติยศก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่คนอื่นให้เรา เราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องแต่ถ้าเกิดเราไปยึดความเป็นพระมารมันก็จะเรียกร้องเขาต้องเคารพชั้นเขาต้องให้เกียรติชั้นนะแล้วเราก็ทุกข์เองเอาค่ำนี้พูดกันเท่านี้นะครับร